ทำไมคุณเห็นไครในวัฏ ส, สงสารเพราะใด้ๆในโลกร่วนเป็นไปด้วยอนิจจังมีทุกขังประพยุตศด้วยมีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนทรัพยศด้วยไม่ใช่อยู่คนละเป้าใช่ไหมเมื่อเห็นแทกย่างนี้แล้วความชัยยาเในโลกสังปูถึงจะมีกิเลสอยู่ก็มีเบสใช่ไหม ธรรมชาติอะไรก็ตามต้องชักลงสู่ใจรักใช่ไหมถ้าเห็นใจรักอยู่คนละเป้าก็ยังไม่ชัดถ้าเห็นอยู่ในเป้าเดียวกันในคณะเดียวกันไม่มีอะไรก่อนอะไรหลังก็เรียกว่าเห็นชัดคุณพุทธธรรมสงก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเห็นเป็นคนละอัน ก็ยังไกลอยู่ถ้าเห็นเป็นเชือบสามเกลีวเหนี่ยวร่างกันอยู่ในาาปัจจุบณนในจิตปัจจุบันธรรมทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโลกุตระคุณใช่ไหมพวกเรายังเป็นนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใช่ไหมยังยืมเงินเศรษฐีมาค่าอยู่ใช่ไหม พวกเราถ้าพ้นทุกข์แล้วก็จะใช่ดอกเบี้ยจบเดี๋ยนี้ยืมกีวันวินทบาทเสนาสนาและเภสัชของพระพุทธศาสนามาใช้อยู่ใช่ไหมพวกเราเป็นหนี้พระพุทธศาสนาอยู่ใช่ไหมถ้าว่าเราพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยไม่เหลือก็เรียกว่าจบกเกษียณแล้วไม่เป็นหนี้ พระพุทธศาสตร์ตนาะใช่ไหมแต่ว่าใครไปถึงไหนใครอยู่ไหนต่างคนก็ต่างรู้เองใช่ไหมสันทิษทิโกมีอยู่แปดชั้นใช่ไหมมีทั้งมรกด้วย สันติที่โกในโซดาปฏิมัติโซดาวปฏิผลสันทิทีิโกสัคขาคายมัติสัคขาขายผลสันทิที่โกอนาคายมัติอนาคายผลสันทิทีิโกอรหัตตมัติอรหัตตผลสันทิที่โกพระปฏิเจตสันทิที่โกพระสมานสัพุพิเจ้ามีเยี่ยงย่อนกว่ากันใช่ไหมแม่พระเจ้าก็อันเดียวกันใช่ไหม ลมหายใจข้อข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งใช่ไหมเห็นสังขารรอบหนึ่งใช่ไหมเว้นไม้แต่ไม่ต้องการเมื่อเห็นโลกเห็นสังขารรอบหนึ่งก็เห็นไตรสิขารอบหนึ่ ง, งใช่ไหมเมีท่างสียนสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่ใช่ไหม สัุกย่นลงมาฮาเอกระทุก e h, ใช่ไหมสัพพสังขารย่นลงมาฮาเอกระสังขาร e ใช่ไหมสัพพโรคย่นลงมาหาเอกระโล ก, e ka, โลกใช่ไหมสัพไตสิกข า, e ka, าย่นลงมาหาเอกะไตสิกขาใช่ไหมสังขโหใช่ไหม ท่านเป็นผู้เรียนมากผมมาได้เรียนนั่งรับตาทำแต่ละบทละบาทส่งต่อพระเนพานหมดใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างบา ร, รมีมาถ้าบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วทำแต่ละบทละบาทก็ส่งต่อพระเนพานมดถ้าบา ร, รมียังอ่อนอยู่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง นโมตัวเดียวส่งต่อพระเนพานลนอบจนแม่มาเกิดแก่เก็บตายนโมพระหรันนโมโลกีนโมเลขนโมผานนโมวัตนโมเบอพุทธังสนานางคัตชามิโกเหมือนกั น, กน สังขารรวมลงเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมวิสังขารก็รวมลงเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และไม่รู้สังขารและวิสังขารก็ไม่ได้มาเอาเรื่องกับผู้ที่รู้และไม่รู้และไม่มาไม่มาให้คะแนนด้วยและไม่มาบุกด้วย ในโลกเต็มไปด้วยสังขารใช่ไหมสังขารภายในอัจ ช, ชัิตาสังขารคือนังหุ้มอยู่โดยรอบใช่ไหมพระเฮธาสังขารก็ภายนอกใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ภิกษุสามเณรฝ่ายปฏิบัติจะรู้ทั้งนั้น ก็หานก็หารลงมาเองกนรอิบาตใช่ไหมถ้าขยายก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ขยายย่นมาาก็ไม่สงสัยก็เชือกอันเก่าเส้นเดียวขึงยาวเหยียดออกไปย่น ล, ลงมาก็มาหาใจใช่ไหมถ้าไม่มีใจทำมีหรือไม่ทำเป็นผู้กับใจ ถ้าไม่มีใจทากม็มีอยู่พระนิพรทมอนุปาทิเสตเนรพนไม่บัญญัติไหว้ใจก็มีอยู่ทรงอยู่ทมที่ไม่เป็นเอกไปทั้งหมดทําหมูทาคู่ก็คือ สอุปาทิเสสเนพานใช่ไหมอนุปาทิเสสนิพานเป็นธรรมเอกไม่มีใครไปเสวยใครเป็นผู้เสวยอนุปาทิเสสเนพาก็อนุปาทิเสสเนพาเสวยอนุปาทิเสสนิพา น, น, า น, านใช่ไหมไม่เป็นหน้าที่สังขารจะไปเสวยพระเนพา น, านใช่ไหม ไม่ใช่พระนิพานจะมาต่อสู้กับสังขารใช่ไหมถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติเข้าสู่พ ร, พ, พระนรพานพระนรพานมีอยู่หรือไม่ก็มีอยู่ใช่ไหมไม่รบเรือนไปทางไหนศาสนาจะรบเรือนไปทางไหนไม่มีผู้ปฏิบัติก็าตามพระนรพ า, า, านก็มีอยู่ตามนั่นใช่ไหมสังขารก็มีอยู่ตามนั่นใช่ไหม พระพุทเจ้าเกิดมาก็ดีแม่เกิดมาก็ดีฝ่ายสังขารก็ดีฝ่ายพระเนพพนก็วันจงทรงอยู่ตามเดิมไม่ได้สูญไม่ได้หายไปไหนยะถาภูตังสำ ม, มปะปายายะรัตปังท่านทัน้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดว่าอย่างนั้นใครเป็นเจ้าของพระเนรพล ใครเป็นเจ้าของสังขารใครเป็นเจ้าของอดีตอนาคตอดีตก็เป็นแต่ศักวาอดีตอนาคตก็เป็นแต่ศักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นแต่ศักวาปัจจุบันพระนิพพานก็เป็นแต่ศักวาพระนิพพานไม่มีใครไปยืนยันว่าเป็นเจ้าของถ้าไปยืนยันว่าเป็นเจ้าของก็เป็นอันผิดทั้งนั้นใช่ไหม ทามาผิดในทีน่นี้หมายผิดในธรรมชั่นสูงทำแทบไม่มีมากที่อธิบายมากก็เพราะเป็นโวหารใช่ไหม ก็าหาลงเอกานิบาตใช่ไหมขยายก็ขยายออกไปจากเอกานิบาตจะนับถึงแสนถึงล้านก็ออกไปจากรักหน่วยถ้าจะย่นลงมาก็มาหารักหน่วยใช่ไหมถ้าไม่ลงอันหนึ่งก็ไม่ลงสองลงสามเหมือนกันใช่ไหมใครเป็นผู้พูด มจีสังขารกับกิตตสังขารใช่ไหมพระเนพานไม่ได้มาพูดด้วยใช่ไหมพระเนพานไม่ได้มาฟังด้วยใช่ไหมไม่ได้มาปฏิเสธไม่ได้มาอุเบกขาเลยไม่ได้มารับมาปัดเลยไม่ได้มาให้คะแนนใครไมไ่มาบุบคะแนนใครสังขารก็เหมือนกันใช่ไหม สังขารก็ไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นสังขารพระเนพานก็ไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นพระเนพานแต่ด้วยอํานาจยานชั้นยุทธของพระสมมาทัพอรัชพเจ้าใส่ชื่อหรือนามสมมติว่ใช่ไหมรถของพระเนพานเป็นอย่างหนึ่งชื่อพระเนพานเป็นอย่างหนึ่งรถของสังขารและกิเลสก็เป็นอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลม ดินน้ําไฟลมก็ไม่ได้ยืนยันและก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยใช่ไหมตาหูจมูกลี้ยก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นผมข้าพเจ้าเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นอาการสามสิบสองก็ไม่ได้ยืนยันทําไมจึงแกะออกแกะออกพระว่ากิเลสมันไปหลงยึดถือเอาเป็นเจ้าของใช่ไหมพวกเราสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกเราไม่ปรึกษากันจะให้ผีตัวไหนมาปรึกษา ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อจะเทศจะเทศองค์ท่านเนอผมปรึกษาองค์ท่านเหมือนกันเพราะองค์ท่านเป็นผู้เรียนมากผมไม่ได้เรียนุูสิกี้โตองค์ท่านศึกษาดีแล้วนกธรรมจหนงนกธรรมอันไม่ตายคาระโวจานีวาโตจัก คารบพระนิพพานทำใช่ไหมนโมพิมุตตานะัน่งนโมพิมุตติยาข้อนอ้นอมน้อมเหธรรมอันหลุดพ้นนกคุ้มพระบ่าวรามาสาาัตวาใช่ชาติเป็นนกคุ้ม ไปไม่ป่ามาก็าข อ, อ, น, อน้อมน้อมนะโมยมุตตานังนะโมยมุมตตยาข อ, อน้อมน้อมแด่พระธรรมอนุตพลแต่เราเป็นมนุษย์เราก็นอบน้อมสิแต่พระบรมาศ า, ษ า, ษาสตราเป็นชาตินักคุ้มก็ยังนอบน้อมทาอนุตพล ปัญหาทำไมจึงมีมากในโลกเพราะกิเลศมากปัญหาก็มากถ้ากิเลศไม่มากปัญหาก็ไม่มากเราก็เหมือนกันท่า น, านผู้อื่นก็เหมือนกันใจเป็นแต่สักข่ายใจผู้รู้เป็นแต่สักขาผู้รู้ผู้เห็นเป็นแต่สักขาผู้เห็นใช่ไหมลมเข้าลมออกเป็นแต่สักขาลมเข้าลมออกใช่ไหมนั่งเป็นแต่สักขานั่งใช่ไหม พูดเป็นแต่สักว่าพูดใช่ไหมนึกคิดเป็นแต่สักว่านึกคิดใช่ไหมรู้เป็นแต่สักว่ารู้ใช่ไหมดินน้าไฟลมก็จริงอยู่ตามดินน้าไฟลมซึ่งเป็นลูกขันนามขันก็จริงอยู่ตามนามขัน ผู้รู้ตามมันจริงก็รู้ตามมันจริงสะก็แยกไว้ต่างหากผู้รู้ตามมันจริงก็คือมรรคผลเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวใช่ไหม <c oughs> ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกใช่ไหมใครเป็นผู้นั่ง สังขารด้กวางทุกข์ใช่ไหมใครเป็นผู้พูดวิจิตสังขารใช่ไหมเกิดดับเป็นไหมจิตตาสังขารใช่ไหมเกิดดับเป็นไหมในโลกนี้จะออกลิงออกลายไปทางไหนก็าตามก็มีแต่เกิดกับดับใช่ไหมจะทำรู้ลาสักเพียงไหนก็าตาม ออกไปจากธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมแตกก็แตกลงมาธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมในทางวัตถุนิยมใครเป็นผู้นิยมจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกกิเลสใช่ไหมนี่พิธาความเบื่อหน่ายนายดินนายน้ำนายไฟนายลมนายตานายหูนายจมูกนายเลี่ยนนายกายนายใจจะไม่ใช่ตาหูจมูกเลี่ยนกายใจหรือ ถ้าใช่อยู่จะไปไหนทําทไมนายผู้ประหลงยืนยันว่าเราเขาสัตว์บุคคลใช่ไหมถ้านายดินก็อาศัยดินอยู่นายผู้ไปยึดถือดินว่าเป็นเราเราเป็นดินใช่ไหมหนายตาก็ใช่ตายอยู่ผู้ไปยึดถือว่าตาเป็นเราเราเป็นตานายความหลงชนิดนั่นใช่ไหม <c oughs> พูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดใช่ไหม มันก็มาหาผู้ฟังใช่ไหมชี้ไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็โค้งมาเหมือนแขนศอกใช่ไหม <c oughs> ใครเป็นผู้ปรยุ่งอดีตใครเป็นผู้ปรยุ่งอนาคตก็สังขารจะกองทุกข์ในปัจจุบันใช่ไหมอดีตคือนิทานของปัจจุบันที่ล่วงไปใช่ไหมอนาคตคือนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงใช่ไหม อดีตเป็นโลกหน่วยหนึ่งใช่ไหมอนาคตเป็นโลกอันหนึ่งใช่ไหมปัจจุบันเป็นโลกอันหนึ่งใช่ไหมจะฆ่าอดีตอาตนาคตด้วยวิธีไหนล่ะด้วยไปยืนยันว่าอดีตอนาคตเป็นเรารรรรนนเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมพระบรมศาสตราสอนให้พวกเราเรู้ตามเป็นจริงใช่ไหมชานังแปลว่าเพ่งอยู่ใช่ไหมสมาธิงแปลไปตั้งมั่นในการเพง่งใช่ไหมปัญญารอบรู้ในการเพง่งใช่ไหม ชานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีก็สมดุลกันอยู่ณที่นั่นเองณนะที่นี้เองใช่ไหมชานางงาังแปลว่าเพ่งอยู่สมาทิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพง่งปัญญารอบรูปในฌานและสมาธิใช่ไหมย่นลงเป็นมาเป็นเอกนิบาตด้วยกันกลมกลืนกันตรัยเขารวมลงในปัจจุบันใช่ไหมแต่ปัจจุบันของพระสวัาดวัน วั จ, จบันสักคาคาไม่วั จ, จบันพระอน า, าคาไม่วั จ, จบาลพระทหารมียิ่งยอดกว่ากันดังที่ว่ามาแล้วนั้นใช่ไหมปัจจุบันของช่างปัจจุบันของราชสีปัจจุบันของชาราชสีมีกําลังกว่าช่างใช่ไหมปัจจุบัลนธรรมแปลว่าทรงอยู่ไม่ยู่ปัจจุบัลนธรรมเป็นไตรสิขาใช่ไหมถ้าพ้นไปแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่ง ถ้ายังไม่พ้นก็เป็นไตสีกขาใช่ไหมไตชีกขาของพระสวัสดิบาไตชี้ขาสักกาคามีไตสี้ขาพระอนาคามีไตชี้ขาพระอรหันไตสี้ขาพระอรหันจบแล้วใช่ไหมทำแทบไม่มีมากใช่ไหมที่มีมากก็พระโวหารใช่ไหมพระโวหารใช่ไหมถ้าไม่สาคัญว่าตนมีในที่ใดน ปัญหาก็่ามากใค่ไหมถ้าสำคัญว่าตนมีในที่ใดปัญหาก็มากใค่ไหมลงมาถึงนี้แล้วก็ต้องเล่าเรื่องนี้ดินน้ำไฟลมเขาก็ไม่เป็นสงครามกันสมมุติไม่มุิก็ไม่เป็นสงครามกันพระเนพานและสังขารก็ไม่เป็นสงครามกันแต่พวกเราหลงก็เลยเป็นสงครามใช่ไหม เป็นสงครามกับความหลงของตนต่างหากใช่ไหมท่านมหาเป็นนิสัยพระอัศเชิเป็นนิสยัสนนสยพาชนะน้าเต็มไม่เป็นนิสัยพาชนะหน้าเปล่าปิ๊บว่างมันดังใช่ไหมท่านมหายิ้ม ปิ๊บเต็มมันไม่ดังใช่ไหมสมยสมัทีนี่เอาอันนั้นมาว่าไปอีกทีนี่อันนี้มันมันข้ามไปหมดแล้วที่จะเทศอีกก็ไม่มีอันใด้จะเทศอะไรถูกไหมเนี่ยมันข้ามกันไปหมดแล้วเอามาอ่านอีกไว้เอาอโหารเอาอหารออกไปอีก ถ้าพูดไปอีกก็เป็นวาหานท์ทางนั้นนไงมันก็หมดเท่านั้นทําของนุพุทธศาสนามารวมลงอยู่ที่นั่นแล้วจะพูดไปในอีกมันก็เรียมก้างอันเก่านั่นเองจะตีวาหานตลอดรุ่งก็อันเก่านั่นเองเพราะอันนี้มันพูดไปหมดแล้วีงถูกไหมมหาวหะโยคตาหูจมูกลี้นงกายกายเขาเครื่องหนึ่งดุรุ ป, ปู่มั่นว่าเป็นครูทั้งหก ออครูตาครูหูครูจมูกครูเล่นครูกายครูใจครูทั้งหกนั่นเองท่านพูดอย่างนั้นแล้ว ป, ปู่มัน่นถ้าไปอยู่ป่าคนเดียวใครไปเทศให้ท่านฟังท่านก็แม่เข้าหาหมู่ฮะเพื่อนว่าให้หลวง ป, ปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าก็ผมฟังเทศจะไม่มีกลางวันกลางคืนพ่อครลวงพ้ใจเข้าออกมา จะฟังกันแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะฟังกันเก็บก็เก็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะฟังกันตายก็ตายจากข้าวสายบ่ายเที่ยงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะฟังกันเปื่อยเน่าก็เปื่อยเน่าอยู่ไม่ลงธรรมาะจะฟังกันสังขารก็เกิดดับอยู่ไม่มีเงินต้นเงินปลายจะฟังกันพระเนพานพระเนพานก็ไมามายุ่งเหยิงกับใครมีแต่สังขารไปเที่ยวยุ่งเหยิง อันนั้นอันนี้ว่าจะยุ่งเหยิงได้ก็ไม่ถึงพระเนพาลหลวงปู่มันตอบฟังเทศอยู่ไหมเมีกลางวันกั้งคืนอยากจะฟังกันไหนหได้ทั้งนั้นท้าพูดอย่างนั้นหลวงปู่เทศหลวงปู่มัหลวงปู่มันกระสินนอกกระสินในมันเป็นยังไง โอทาตากสินกับผมก็เพ่งกระดูกนี่ละกะสินสีเขียวก็เพ่งน้ำดีเตโชกสินก็เพ่งธาตุไฟอยู่ที่ในไฟอยู่ข้างในนี่วายโยกสิน ก็เพียงลมให้ใจเข้าออกพัทวีกสินก็เพียงธาตุดินอยู่ที่ในนี่คำพูดนะรับชักลองถูใจรักไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอาจารย์มีเต็มโลกนักเทศมีเต็มโลก ความผิดก็เป็นอาจารย์ให้เช็ดหลาบความถูกก็เป็นอาจารย์ให้จําไว้ยุ่งกัดก็เป็นอาจารย์ให้กลางมุ่งเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นอาจารย์ให้เช็ดหลาบปวดอุจจาระปวดชัวะก็เป็นอาจารย์มีเต็มลกูก นักเทศมีเต็มโลกความผิดก็เป็นอาจารย์ให้เคล็ดลาบความถูกก็เป็นอาจารย์ให้จำไว้ยุงกัดก็เป็นอาจารย์ให้กลางมุ่ง เกิดแก่เก็ตาก็เป็นอาจารย์ให้เชล็ดลาบปวดอุจจาระวัชระก็เป็นอาจารให้เชล็ดลาบเวนสนองเวรภัยสนองภัยก็เป็นอาจารย์ให้เช็ดลาบอีกเหมือนกันยิกเข้าแล้วหายหน้าก็เป็นอาจารย์ให้เช็ดลาบหายใจเข้าออกก็เป็นอาจารย์ให้เชล็ดลาบถ้าไม่พบในชาติก็จะหายใจนบกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ยังดียังนบกัน เพไม่ถือข้อนถือไม่ใส่กันเทศไม่มีเอวังความแก่ก็ไม่มีเอวังความเก็บก็ไม่มีเอวังความตายก็ไม่มีเอวังธาตุดินน้าไฟลมก็ไม่มีเอวังไม่มีนิทีตังไม่จบกเกษียนเลยความแก่เก็บตายก็ไม่จบกระเสียณในโลก โลกแสดงปฏิหารทางเกิดดับพระนิพพานแสดงปฏิหารทางไม่เกิดไม่ดับมีอิทธิพลทางไม่เกิดไม่ดับพระนิพพานสังขารมีอิทธิพลทางเกิดดับและให้ผลเป็นทุกข์รว่ใครเป็นผู้เสวยสังขารและความทุกข์เพาสังขารละความทุกข์นั่นเองเป็นผู้เสวย ใครเป็นผู้สวยพนิพพานก็พนิพพานเท่านั้นสวยพนิพพานสังขารไปสวยไม่ได้พูดไปมากก็เมานํำลายใช่ไหมเมาอารมณ์ใช่ไหมมักคารม มัคคารมนาธรรมะมัคคาเหตุกาธรรมามัคกาธิปติโนธรรมาอุปปนาธรรมาอนุปปนาธรรมาก็เกิดขึ้นใช่ไหมท่นานมหาอตีตาธรรมะนาคาตาธรรมา ป, รปัจจุตธรรมปนาธรรมาเป็นแตรัสรัตนธรรมอย่าไปยึดถือเนะี่ถูกไหมท่นานมหาถ้าไม่ถูกก็ขัดมาอย่าขี้เกียจขัดคอขอให้ขัดหลวง คำเพียรทำก็ทำทช่ชำ า, า ง, นนช C, งนั้นไม่ใช่สาตร์ไม่ใช่บุคคลคำเภียรธาตุก็ธาตุช่างนั้นไม่ใช่สาตร์ไม่ใช่บุคคลคำเพีรอินทรียก็อินทรีย์ช่างนั้นไม่ใช่ศาสไม่ใช่บุคคลแปลว่าเป็นใหญ่คำเพียรภุคละก็ภุคละท่างนั้นธรรมันปารถิจากราคะหายใจเข้า ธรามันปรายจากลาคะหายใจออกธรามันปรายจากโทสะหายใจเข้าธรามันปรายจากโทสะหายใจออกธรามันตรายจากโมหะไม่ยึดถือว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลหายใจเข้าถ้ามันตรายจากหมหะอันไม่ยึดถือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหายใจออกใช่ไหมท่านวะ สมมตส่งคืนให้สมมติเราไปเราไปสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของไม่มุดส่งคืนให้ไม่มุดเราไปสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของใช่ไหมท่มามหาอนัตตาทุกเป็นฝ่ายกำหนดรูอนัตตาสมุทัยเป็นฝ่ายเว้นอนัตตามักเป็นฝ่ายเจริญ อนตานิโรธเป็นฝ่ายทำให้แก้แค่ไม่ขันหาอัตตาก็เหมือนกันถูกไหมทำไมไม่ตอบถูกไหมหรือสิเกียจแล้วกขบอกว่าถูกเฉยอ๋ อ, อ, อ, อ, อทำไมพระบรมศาล า, ษ า, ษ า, ษ า, ษาจึงหั่นทำพระโมคคัลลา แม่เข้ากาบเรียนพระโมคคัาลาาในมานพสิบหกคนสำคัญเราเป็นคนตนเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนแล้วจะเข้าถามปัญหาก่อนใช่ไหมเลยหักทิฏฐิพอหักทิฏฐิได้แล้วปะ เพรา่ตโลโกเธอจงพิจารณาโลกไปกองศูนย์ถอนอัตตาโนติทิ่งความเห็นว่าตนเสียชาติสราพยาธิจะมาไม่มาหาท่านโดยใจความก็สอนอนัตตาใช่ไหมถูกไหมอ่าแ่ที่ยัดยัดเข้ามาใส่ใจ ปฏิบัติก็ปฏิบัติใจปฏิเวศก็คือผลของใจที่ปฏิบัติใช่ไหมท่านหมา mm hmm. ปริยับปฏิบัติปฏิเวศจะแยกกันไม่ได้สมัยุทธกันอยู่ใช่ไหมสมยุทตาปัจโยอัญญะมัญญะปัจจโย เหตุกับผลก็เชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมผู้ไายึดผู้รู้เหตุตามไปจริงของเหตุผู้รู้ผลตามไปจินจของผลไม่สำคัญว่าตอนอยู่ในเหตุในผลผู้นั้นก็รู้ทั้งเหตุทั้งผลใช่ไหมอวิชชาตัญหาอุปทานก็จะแตกกระเจิงใช่ไหม อุปทานสี่อัตวาทุปทานเป็นของเหนือเขาใช่ไหมเป็นของละเอียดกว่าเพื่อนใช่ไหม่าถ้าความเห็นว่าตัวหน้าตัวถ้าชนะอัตวาทุปทานครับอุปทานทั้งปวงเขาชนะหมดใช่ไหมถูกไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราจะอ่านนั่นคืออีกไหมหรือจะหยุดเพียงนี้ สมหาฮะเราจะให้พระเทศไหมผมเขียนไวไก็มีฮ๋ก็มีแต่เราสองคนพวกก็ไม่รู้อินหน่อ้หยงหก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะการยมเขาไม่ได้ฟังมากเขาก็ไม่รู้อี่หน่เลยเขาเขาไม่ไดแก่เรียนเอาเอาธรามะปเดียวก็ไปได้ ก็เพียงเรียนนะักครเอกกมหาเอาไปหกประโยคแล้สุขิสุขิคิตสุคิโตผหูสัจการกสิปัญญาผู้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีปัญญามากเป็นสุตทับมยะปัญญาเลยจินตามัยะปัญญาภาวนาวะปัญญาก็ไปลิบเลย นิสพระอาทินิสัยพระอาิในพระหันขนาดไหนก็เราเป็นพระพุทธูใหม่ไม่สามารถจะเทศนาให้ท่านฟังได้นิสัยพระอาทิตรู้สักเพียงไหนก็เก็บตัวนิสัยพระอาทิไม่ต้องตั้งนโมละนโมแลโมปลว่า น, อนอ้อม นโมกายนโมวาจานโมใจภาสิตกายภาสิตวาจาภาสิตใจกระทู่กายกระทู่วายกากระทู mm ่ใจเทสไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็วนมาฮะกายวายกายกายนโมเขาน้อมน้อมกายวายกายกาย่ยาฟังโดยเขารับภาสิตธ์กักายวายกายวาจายกใครก็มีภาสิตทุกคนใครก็มีกระทู่ทุกคนกระทู่กายกระทู่วายากระทู่ใจ ว่าเป็นติการณิบาตใครก็มีนโมกายนโมวายการนโมใจเรียกว่าเคารพเรื่องกายวายกายใจเรียกว่าปราเรื่องกายวายกายใจว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นหนึ่งก็เรืงใจนโมใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวายกายใจนอมนอมในพระพุทธศ า, าสนะาเคารพพระพุทธศาสนาะชนะชนะความเคารพทางปวงในโลก ยินดีในพุทธศาสนาชนะความยินดีในโลกทั้งปวงสนใจในพุทธศาสนาขณะจิตเดียวยังยินดียังดีกว่าสนใจในด้าที่อื่นๆน่นารัขณะกิจยินดีในพุทธศาสนาขณะกิจขณะกิจเดียวก็เหมือนกันกาพระพุทธศาสนาขณะกิจเดียวก็เหมือนกัน ยังยินดีกว่ากับรัฐที่อื่นๆนั่นล่ามคณะกิจคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณท่านผู้มีคุณไหลขึ้นไปสู่คุณพุทธธรรมสงฆ์คุณพุทธธรรมสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพานไปรวมคิวกันอยู่เท่นั้นไปทีนี่พวกเขาจะเทศเขาก็ไม่ได้เทศพูดมาหยุดคําว่าเขาพูดแบบลูกๆหลาน พูดแบบคนกันเองไม่ใช่พูดแบบหยาบโลนไม่ใช่พรุษะวายกาเอาแม่เทียนนี่นี่เอาเอานเนี่ยไปนี่ไปนี่อย่าบอก่ากเอาีสแสนี่